จะพูดเรื่องพิเศษซะก่อนมีอยู่สองเรื่องที่ได้ทราบมาเรื่องหนึ่งเงินของพระที่เก็บไว้ในกุฏิหายไปตั้งเป็นพันกว่าเรื่องที่สองแม่ชีไปคุยกับพระอยู่บนกุฏิ นี่ไม่ระ บ, บุชื่อนะใครทำก็รู้ตัวเองอันนี้เป็นขั้งที่สองแล้วเตือน <c oughs> ถ้าหากว่าถึงขั้งที่สามแล้วจะต้องระ บ, บุชื่อและสอบสวนให้แน่นอนแล้วก็ลงโทษกันตามความผิด จะขอเตือนไว้กันนะถ้าหวังดีต่อตัวเองและต่อพระศาสนาแล้วให้สำรวมระวังตอนต่อไปไม่แค่นั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันการที่ปัจจัย ที่เอาไว้ตามกุตินั่นน่ะเคยเตือนอยู่แล้วนะไม่ปลอดภัยแต่เขายังขืนเอาไว้กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าใครเป็นขโมยแบบนี้เมื่อไม่มีไม่เห็นต่อหน้าต่อตามไม่มีหลักฐานพยานก็จะไปปักกร้ำใครก็ไม่ได้ทีนี้ ใครเป็นขโมยก็ไม่รู้ฮ น, นี่นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เจ้าของสิ่งของจะต้องหาวทางรักษาให้มันปลอดภัยอันเราจะปันไปกันขโมยไม่ให้มีเนี่ยคงไม่ได้หรอกไม่ได้สมัยใดก็เหมือนกันหมดเลยอ มันมีแต่คนที่มีศีลทรรมเท่านั้นแนะเขาไม่ทำชั่วไอ้คนที่ไม่มีศีลนนะ่ะมีมากในโลกอันนี้นะ่ะมีถมไปให้พากันเข้าใจก็เคยเตือนแล้วเนี่ยแล้วว่าถ้าผัจใยของใครมีแล้วก็ใส่ซองแล้วเขียนจำนวนไว้แล้วเขียนชื่อเจ้าของไว้หลังซองแล้วเอาไปไว้ที่กุฏิใหญ่ นั่นยังจะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นก็เคยบอกแล้วแต่ไม่ทราบยังไงนะกลัวมันจะหายเลยมกกั้งถ้าเอาไว้นั่นเอาไว้ที่กุฏิใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเตือนอย่างนี้แล้วมันหายเราก็ไม่รับผิดชอบเลยเพราะไม่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่แนะนำ <c oughs> ถ้าหากว่าคนอยู่ในวัดนี้หากเป็นขโมยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนทุสินไม่มีสินเลยถ้าเป็นนักบวชก็เรียกว่าบวชเสียเปล่าถ้าเป็นพระก็ขาดจากความเป็นพระถ้าเป็นสมเนนก็ขาดจากความเป็นสมเนนไม่มีสมมณะนะสัญญาอยู่ในตัวเลย ถึงแม้ใครจะไม่รู้ก็ตามแต่ตัวเองน่ะรู้ตัวเองเรื่องอย่างนี้แหละให้เข้าใจถ้าหากว่าใครไม่ได้ล่วงศีลล่วงทมอย่างว่านั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าใครได้ทำอย่างนั้นแล้วถ้ารู้ตัวแล้วรีบถอนตัวออกจากว่ากาสาวะพัดไปเลยไปทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยตนเองยังไม่เป็นบาปเป็นโทษหลถ้าถ้าหากว่าทำตัวเป็นขโมอยอยู่ในผ้าเหลืองนี่อย่างนี้แล้วยังจะอาศัยผ้าเหลืองนี่อยู่ไปแล้วก็ยิ่งบาปหนักเข้าไปเรื่อยๆนี่จะบอกให้นะจะเตือนเป็นผ้าเขาวดาวหมดก็ตาม เขเรียกว่าไม่มีศีลทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าใครไปทำอย่างนั้นน่ะก่อมาอยู่วัดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ม, มันเป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องคุกคีกันในระหว่างเพศกงกันข้ามเนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นภัยอันใหญ่หลวงต่อวัดวาศาสานามาก เป็นการทำลายพุทธศาสนาโดยตรงเลยทีเดียวนะเนี่ยขอบอกให้ทราบไว้เป็นบาปหลายเป็นบาปมากทีเดียวเพราะพุทธศาสนานี่ทำคนให้เป็นคนดีนำคนผู้ปฏิบัติตามให้พ้นทุกข์ ฉะนั้นผู้ใดมาคิดทำลายลงไปงนั่นแหละก็จะได้รับบาปมากทีเดียวถ้าหากว่าตนเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามพาวินยัยหรือตามธรรมะได้แล้วก็ไม่ควรไม่ควรที่จะอยู่ประพื่อพรมจัรย์ควรถอนตนออกไปได้ไม่มีใครว่าอะไร ถ้าหากว่ามีศรัทธาแรงกล้าที่จะประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปแล้วต้องสำรวมตนให้ดี <c oughs> อย่าให้เรื่องอย่างว่านี่มันปรากฏต่อไปอีกถ้าหากว่าปรากฏต่อไปเป็นครั้งที่สามแล้วก็จะต้องวินิจฉัยกันให้จงแจ้งไปเลยใครผิดก็ว่ากันไปตามผิด ไรถูกก็ว่าไปตามถูกอันนี้เรียกว่าเราไม่ได้หักลำพลาด้วยหัวเขา่าเรียกว่าตักเตือนกันไปก่อนเผื่อว่าผู้ยังมีอุปนิสัยวาสนาอยู่จะได้ตื่นตัวแล้วก็จะได้สำรวมระวังตนต่อไป <c oughs> อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนรวมนะเพราะฉะนั้นถ้าใค ร, รก็เพื่แหวกแนวออกไปจากหมู่เนี่ยมันไม่ได้เลยมันเป็นตัวอย่างอันไม่ดีต่อคนอื่นไปอีกมันจะลุกลามกันไปเรื่อยอมันไปนอย่างงั้นเรื่องมันนะดังนั้นจําเป็นต้องจํากัดลงไป <c oughs> <c oughs> เหมือนอย่างนิ้วมือห้านิ้วอย่างเี้ย เนี่ยไหนมันเป็นแผลบ่อยว่ามันรักษาไม่หายแล้วเขาก็ต้องตัดทิ้ง อ, อมันก็เป็นอย่างนั้นเนยถ้าหา ก, กว่าไม่ตัดทิ้งเดียวมันก็เป็นแผลลุกลามเรื่อยไปอันนี้เพิ่มพากันเข้าใจไว้ก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆแล้วนะ อนวัดวาศาสานาเนี่ยเป็นสถานที่โคสมัครใจมาอยู่นั้นตั้งใจมาเพื่อทำความเพียรละกิเลสโดยตรงเลยไม่มีอะไรเอบแฝงไม่มุ่งหวังเอาอะไรนี่ก็เคยพูดให้ฟังและทุกคนก็คงรู้ถัว่าในการเข้ามาอยู่ในวัดวาศาสานานี่นะ เราจะมาสนุกสนานในกามคุณนี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยไม่มีการสนุกสนานในกามาคุณในวัดวาสศาสนาไม่มีเลย <c oughs> เป็นเสบางแห่งอันนั้นยกไว้เขาทำบุญวัดเขาทาบุญวัดเขาก็มีมหาลศ บ, บงานมีสนุกสนานอะไรต่ออะไรสารพัดอันนั้นก็นเรื่องเขา แต่สำหรับวัดป่าแล้วไม่มีเรื่องใดที่จะเป็นไปเพื่อความเพื่อเคินในกามกุณแล้วเป็นอันว่าไม่ส่งเสริมทั้งนั้นเลยขอให้เข้าใจอันนี้เรียกว่าอรัญญิกาวาตอาวาตที่อยู่ในป่ามันเป็นอย่างนี้นะให้เข้าใจกันทุกคนนะ แังนั้นถ้าผู้ผู้สมัครใจเข้ามาแล้วต้องสำรวมตนตามนี้ให้ได้ถ้าสำรวมไม่ได้ก็ออกไปมีเท่านั้นไม่ได้พูดยาวอะไรเลยต่อไปนี้ก็เริ่มธรรมะพระพุทธเจ้าทงทัดว่ า, ศ า, ศา ธรรมกามโมภวังโหติผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะทักเทศสีปราพโมผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อมกลงกันข้ามอย่างนี้คำว่าผู้ใครในธรรมนั่นก็หมายความว่า เราเข้ามาสู่วัดวาศาสานาเนี่ยจะเป็นนักบวชข้อตามไม่เป็นนักบวชข้อช่างเราก็ต้องสนใจอยากจะรู้ทำเห็นธรรมคาสอนของพระสุตเจ้าด้วยใจของตนเองว่าคําสอนของพระสุตเจ้านั้นมีลึกตื้นหนาบางอย่างไรออย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผูกไข่ในธรรมดังนั้นจึงให้มีการเรียนกันสอนกัน เพื่อให้เกิดความใครในธรรมอย่าไปใครในกิเลสในกา ร, รมาคุณเราใครในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านั่นนะดีหลายเแล้วเราจะได้รู้แนวทางปฏิบัติสิ่งใดที่ทรงสอนให้เห็นโทษเราก็จะได้เห็นโทษสิ่งใดที่ทรงสอนให้มามีคุณ เราก็จะได้เห็นคุณในสิ่งที่ดีที่งามนั้นทีนี้ผู้เกลียดทรรมนั้นหมายเอาว่าไม่ต้องการอยากจะรู้ไม่ต้องการอยากจะฟังไม่ต้องการอยากจะปฏิบัติตามแต่เพียงมาอาศัยอยู่เฉยๆอย่างนี้ก็เป็นผู้เสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมจากบุญจากกุศล เป็นอย่างนั้นเพราะเกลียดทมนั่นแหละจึงไม่อยากฟังคำสอนของพระเจ้าจึงไม่อยากเรียนท่องจำเอาเห็นว่าคำสอนนั่นยุ่งยากลำบากการเรียนการจำาัาทีไปเรื่องของกรรมคุณเรื่องร้องราทาเพลงดีดสีตีเป่าแล้ว เรียนเอาได้ง่ายได้แล้วเกินนั่นเพราะมันชอบใจมันชอบใจมันถึงจำได้ง่ายดีส่วนธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ชอบใจเมื่อไม่ชอบใจแล้วมันจะจ ำ, ำอะไรแล้วมันจะจำทำไมอ่ะมันก็ไม่จำเลยมันเป็นอยงนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งใจพิจารณาตัวเองเข้าไปเราบวชเข้ามานี่ เรามีความใคร่ในธรรมหรือไม่หรือว่าบวชตามประเพณีอว่าคนไทยเรานับถือปรัชาศาสนาถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ต้องบวชเพื่อตอบบุญแทนคุณพ่อแม่หรือมีความรู้สึกเท่านั้นแล้วเข้ามาบวชอย่างนั้นหรอผู้มีความรู้สึกเท่านั้นแล้วเข้ามาบวชมันก็ได้ผลเพียงนิดหน่อย บางทีก็อาจจะไม่ได้ผลซ้ำเลยเพโบวชคอยแต่จะให้วันเวลามันล่วงไปพอถึงเวลานั้นมาแล้วก็จะได้สึกขาลาเพศไปพอเปรืองนี่สินหรือว่าพอทำตามใจของพ่อแม่ที่อ้อนวอนถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นแล้วเข้ามาบวชนั่นก็จะได้ผลนะนั่นเรียกว่า มันเข้าใจผิดไปเนี่ยเข้าใจผิดส่วนหลายจริงๆก็วบวชให้พ่อให้แม่วะไม่ใช่บวชให้ตัวเองนี่ไอ้ถ้าบวชอย่างนั้นแล้วตนเองไม่ฝึกตนเข้าไปให้ดีไม่รักษาศีลไม่รักษาวินัยให้ดีไปล่วงวินัยเข้าไปอย่างนี้นะแล้วเจริญสมาธิก็ไม่เป็น อบรมปัญญาให้เกิดก็ไม่มีแล้วอย่างนี้นั้นจะบวชเพื่อใครบ่อนี้เมื่อตนไม่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจแล้วันจะไปบวชให้พ่อให้แม่ไม่มีทางั n j e ได้ a n จะไปตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ก็ไม่มีทางนะผู้บวชเข้ามาที่จะตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้ เมื่อก็ต้องอาศัยประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจตามพระธรรมวินัยจริงๆนี่สิ่งใดที่พทธเจ้าห้ามไว้เราก็ไม่รวงเกินนะสิ่งใดที่ทรงอนุญาตก็จึงทำตามเมื่อตั้งใจทำตามที่ทรงอนุญาตให้เต็มความสามารถแล้วบุญกุศลก็ย่อมจเจริญขึ้น นั่นแหละถึงจะเผื่อแผ่ไปถึงมารดาบิดาปูา่ย่าตายายหรือวงสาคัญญาต่างๆนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนก่อนก่อนที่จะตอบบุญแทนคุณท่านได้อีกอย่างหนึ่งต้องเรียนทมเรียนวิในใัยให้รู้ให้เข้าใจ ในทางปฏิบัติอในทางกระเรื่องปฏิบัติอย่างไรจึงได้บุญได้กุศลในทางพระภิกษุสามเณรปฏิบัติอย่างไรจึงเป็นบุญกุศลของพระของเนรเราก็เรียนรู้ทั้งสองประเภทนี้อย่างนี้แล้วเมื่อมีโอกาสก็แนะนําสั่งสอนมารดาบิดา องศาคณิให้ละความเห็นผิดมาดำเนินในทางที่ถูกต้องให้ได้นี่อันนี้อันหนึ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณผู้มีพระคุณทั้งหลายให้พึงเข้าใจคําว่าบวชให้พ่อให้แม่นะ่ะถ้าหากว่าตีความหมายให้มันถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้อืมต้องบวชให้ตัวเองนั่นแหละก่อนอื่นทั้งหมด ต้องบวชบวชเพื่อตัวเองฝึกตนให้ดีสะกร่อนเมื่อจิตจิตใจของตอนมีคุณธรรมอันดีอันงามอันสูงขึ้นไปแล้วน่ยก็เผื่อแผ่ถึงมารดาบิดาวงศาคณาญาติได้นี่พาหมายเป็นอย่างนั้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างบุคคลแต่ละคนน่ะเมื่อจะบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เนี่ย มันก็ต้องเรียนวิชาความรู้แล้วต้องทําการทำงานรวบรวมเงินทองให้ได้เป็นก้อนเป็นหน่วยแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้เผือแพ่ไปบุรีให้แกส่สาธารณประโยชน์ได้ในเมื่อตนได้บำเพ็ญประโยชน์ตนให้ได้เต็มความสามารถแล้วนะพึ่งตนเองได้แล้ว บ้านี้ก็ให้ผู้อื่นพึ่งได้ด้วยมีเงินมากเหลือใช้เหลือจ่ายก็เฉลี่ยแบ่งกันให้คนอื่นไปได้เลยถ้าไม่มีเงินทองมากเหลือใช้เหลือจ่ายอย่างนั้นเราจะไปแบ่งให้ผู้อื่นก็ไม่ได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละแต่เมื่อเราไม่มีคุณงามความดีมากพอสมควรแล้วอย่างนี้ จะไปอุทิศแห้แกม่มารดาเบิดามงสาคณะญาติล่วงลับไปก็ไม่มีทางที่จะถึงได้อืหรือไม่มีความรู้ในธรรมในวินัยในศีลในธรรมเราจะไปแนะนําสั่งสอนมารดาบิดาที่มีความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ได้อมันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องให้เข้าใจ การที่เรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องนับถือให้มันถูกต้องจริงๆอืดําเนินตามให้ถูกต้องจริงๆไม่ใช่ว่าเรามานับถือเพียงแต่ตามเพณประเพณีว่าเป็นคนไทยเกิดมาแล้วเป็นคนไทยต้องนับถือพุทธศาสนาอย่างเนี้ย <c oughs> นับถือแค่นั่นน่ะมันไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือแล้วต้องศึกษาต้องค้นคว้าให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองจริงๆ <c oughs> ความศึกษาความค้นคว้า ให้รู้ให้เข้าใจด้วยตนเองเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนอื่นนั้นจะไปบังคับให้คนอื่นรู้ตามเห็นตามนะั้นมันไม่ได้เรื่องมานะมันไม่ได้ผู้อื่นนั้นก็เป็นด้เพียงเนะแนวาทางให้เท่านั้นเองนะ <c oughs> เนะแนวทางว่าต้องปฏิบัติจิตอย่างนี้ต้องทำจิตอย่างนี้มันถึงจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่างงี้นะ เมื่อหาว่าผู้ใดทาตามอย่างว่านั่นแล้วทําจิตให้เป็นไปตามนั้นแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นโดยตนเองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษแจ่มแจ้งโดยตนเองนี่ความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่า ผู้ใครในธรรมเป็นผู้เจริญนุ่งเรืองก็เมื่อมีความใครความพอใจขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็ศึกษาเล่าเรียนท่องบนจดจำแล้วลงมือปฏิบัติตามโดยความไม่ประมาทสำรวมระวังตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นนำไว้ เช่นอย่างว่าการสำรวมอินทรีย์หกระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นเราก็ปฏิบัติตามไปไหนมาไหนอยู่ที่ไหนก็มีสติเสมอเช่นนี้คอยระมัดระวังเสมอระมัดระวัง ความยินดียินร้ายจะครอบงมจิตใจไหนเวลาตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นอย่างนี้ต้องระมัดระวังอยู่เสมอไปนี่เรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนส่วนบ้างไม่ปฏิบัติตามอย่างว่า น, นี้นี้เป็นผู้ปล่อยใจของตนให้ เพลิเพลินไปตามอารมณ์นั้นๆยินดีบ้างยินร้ายบ้างไปอย่างนั้นนะเมื่อไปสํารวมอินทรีย์หกนี้แล้วอย่างนี้ศินมันก็เศร้าหมองไปดีไปดีก็สินขาดมันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการรักษาสินกับการสํารวมอินทรีย์จึงชื่อว่าเป็นคู่กันเลย สํารวมอินทรีย์ไม่ได้หมายเอาว่าตาไม่ต้องดูอะไรเลยหูไม่ต้องฟังเสียงอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเอาว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดูรูปต่างๆถ้าจําเป็นต้องดูก็มีสติสมมติเนี้ยรู้เท่ารูปที่มองเห็นด้วยตานั้นอย่างนี้ เสียงก็เหมือนกันเมื่อเสียงมันดังมาไว้ว่าถ้าเป็นเสียงที่ไม่ไม่ควรจะฟังเขาไมีประโยชน์อะไรก็ไม่เอาใจไปจดจ่อกับเสียงนั้นให้มันผ่านไปเฉยๆอย่างนั้น <c oughs> กลิ่นก็เหมือนกันนะเมื่อมันโชยมาสู่จมกูกอย่างนี้จะเป็นกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมอะไรก็ตาม เราก็กำหนดรู้ว่ากลิ่นทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปก็ไม่ใส่ใจกับมันเพราจะไม่ให้กลิ่นเหล่านั้นมาถูกจมูกเฉลยก็ไม่ได้มันต้องถูกแต่เรามีสติวควบคุมจิตไว้ได้ไม่หลงยินดียินร้ายกับกลิ่นนั้นรสก็เหมือนกันรสอาหาร สตางรสที่เกิดจากรูปตาได้เห็นรูปมันก็มีรสอร่อยอันหนึ่งของจิตใจนูน่นนะหูได้ฟังเสียงมันก็มีรสอร่อยอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าในที่นี้หมายเอารถอาหารรสอาหารนี่พระพุพเทธเจ้าจึงได้ทรงสอนไว้ในปัจจเวกคณะ อาหารการบริโภคก่อนจะบริโภคอาหารต้องพิจาราก่อนต้องพิจารว่าอาหารเนี่ยเมื่อยังไม่ทันลงไปอยู่ในท้องเพ่งดูแล้วมันก็สกปรกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรเลยแต่ว่ามันจำเป็นต่อร่างกายเพราะร่างกายนี้มันอยู่มันเป็นอยู่ได้ด้วยของสกปรกอย่างนี้ ก็เลยจําเป็นต้องรับประทานไปเท่า น, นั้นเองฮะแต่ถ้าเพ่งโดยความเป็นจริงแล้วไม่ไม่ต้องการเลยไม่ไม่ต้องการคีวกลืนลงไปในท้องเลยเพราะว่าสกโผกเหลือเกินแต่มันจําเป็นรูป ก, กายอันนี้มันต้องเป็นอยู่ได้ด้วยของโสกโผกอย่างนี้เหตุนั้นก็จึงจําต้องรับประทานเข้าไปขอประทานชีวิตอยู่ เนี่ยพิจารณาลงไปอย่างนี้นะจิตมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอาหารนั้นเนียว่ารับประทานด้วยความจำใจจำเป็นเท่านั้นเองเพื่อดำลงชีวิตอยู่ได้ประกอบคุณงามความดีให้เจริญขึ้นในตนเท่านั้นเองกายเมื่อไดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีสติสมชัญญยะ รู้เท่าทันอย่าให้ความยินดีนร้ายมันครอบงำเ <c oughs> ช่นได้นั่งที่นั่งที่อ่อนนุ่มนิ่มได้นอนที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มอะไรนี่ไปเกิดความยินดีพอใจขึ้นมานั่นมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นเพราะกายสัมผัสอันนั้นเป็นมูลเหตุ มันก็ลุ ก, กลามไปใหญ่โตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อใดสัมผัสอะไรทางกายเราต้องมีสติรู้เท่าว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนจะเป็นแข็งก็ดีอ่อนก็ดีเย็นก็ดีร้อนก็ดีหมู่นี้มันก็ร้อแต่เป็นของไม่เที่ยงมันผ่านไปมันก็ดับไป เท่านั้นแหละไม่มีอะไรจรังยั่งยืนก็ทำความรู้เท่ากับสัมผัสทางร่างกายอย่างนี้เสมอไปวันนี้ทางใจนั้นเป็นที่รวงของอารมณ์ทั้งห้านั้นอารมณ์ทั้งห้านั้นมันก็พุ่งเข้าไปสู่ใจนั่นแหละไม่ไปที่อื่นดังนั้นใจยังเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดรู้เท่าอารมณ์ใดพุ่งเข้าไปหา ใจกขากำหนดรู้เท่าอารมณ์นั้นทุกขณะจิตไปเลยไม่ให้จิตวันไหวยินดียินร้ายไปตามเรื่องนั้นๆอารมณ์นั้นๆอันนี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วกิเลสมันก็กำเริบขึ้นในใจไม่ได้ในเมื่อสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างนี้ศีลก็ไม่เศ่้าหมอง มีสินมีวิในาตามเพศตามภูมิของตนก็เป็นสินอันบริสุทธิ์ไปเช่นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี่นะมันมีอย่างนี้เมื่อเราชำระอินทรีย์สํารวมอินทรีย์ ด้วยดีสั้รวมศีลด้วยดีได้แล้วอย่างนี้จิตใจมันก็ผ่องแผ้วเบิกบานเพราะว่ากิเลสมันไม่ครอบงำจิตใจเราเจริญสมาธิภาวนาจิตใจมันก็สงบแน่วแน่ใจสงบแน่วแน่แล้วปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นมองเห็นทุกมองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์ ด้วยปัญญาอันยิ่งคนไม่ทําใจสงบก่อนมันมีตัณหาเครือบแฝงอยู่มันไม่ได้มองเห็นดอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์มันมองไม่เห็นเลยนี่ก็อย่างนั้นแล้วตัณหาเป็นได้ได้เกิดทุกข์อย่างนี้ก็อมองไม่เห็นถ้าจิตใจยังตกเป็นธาตของตัณหาอยู่ก็อมองไม่เห็นโทษของตัณหานั้น นั่นต้องต้องทำสมาธิเพิกตัญหาความอยากอะไรต่ออะไรออกจา ก, กจิตใจนี้ให้ได้เสียก่อนเพิกออกไปชั่วคราวก่อนนะไม่ใช่ว่ามันจะขาดไปทีเดียวให้มันสงบระงับออกไปจา ก, กจิตใจในช่วงระยะหนึ่งแล้ววันนี้จึงใช้ปัญญามาพิจารณาว่าตัญหานี่มันพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เชนนี้นะมันมันเป็นเอตได้เกิดทุกข์อย่างไรบ้างมันเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นแจ้งไปแลไม่มีทางสงสัยเลยสัณหาความอยากนะมันเป็นเอตได้เกิดทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างที่เคยพูดกันมาอยู่ไปยปเป็นเอตให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทําการทํางานกำพ้นทนแดอ ทำไม่ได้ยืนคืนไม่ได้อยู่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทุกแสนทุกยากแสนยากนั่นแหละโทษของตัณหานะ่ะอคนทั้งหลายก็พวกที่ตกเป็นท่าตแห่งตัณหาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลี้ลับอะไรนี้นั่นแหะเห็นกันอยู่ต้องๆแล้วแต่ไม่ได้น้องคเขมาพิจารณาเรื่องมันน่ะ ถ้าผู้ใดน้องเของอา้าบอกพี่นามันก็เห็นโทษของมันได้วาเนี้ยเห็นโทษของตัณหาก็ไม่ไม่ส่งเสริมตัณหาให้มีกําลังแรงขึ้นในจิตใจของตนเราผู้ใดเห็นโทษมันแล้วก็มีได้ตัดทอนให้มันน้อยเบาบางออกไปโดยลําดับไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ส่งเสริมมันแหะเห็นโทษของมันอ่ะนี่ฉะนั้นเราเป็นนักบวชเนี่ย พวนพากันพิจารณาโทษแห่งการมตัณหาที่มนุษย์ทั้งหลายตกเป็นทาสของมันอยู่หมนั้นอะ่ะเราก็มองเห็นอยู่แล้วนี่แต่ว่าพิจารณาดูให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองเมื่อมันเห็นแจ้งกันนั้นแล้วการบวชเข้ามามันก็ไม่ฝ่าถนาที่จะออกไปหามัน ไม่ภาธานาจะไปแสวงหามันอีกให้คนที่เขาหลงไหลตกเป็นท่าของตันหาให้มันลอยไปตามกระแสะของตันหานะั้นตามเรื่องเขาไอเราจักไม่ลอยไปตามเขาเลยนี่ตั้งปณิธานในใจว่าอย่างนี้ไอ <c oughs> เช่นนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ใคล้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า นพากันเข้าใจพราะคําสอนขององค์พระเจ้านี่มันเป็นการทวนกระแสของกิเลสตัณหาพระองค์เจ้าไม่ได้สอนให้ลอยไปตามอํานาจของกิเลสตัณหาให้ทวนกิจกระแสของกิเลสตัณหาเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ําขึ้นไปเมึองเหนือนั่นแหละ มันก็ต้องออกแรงนะการพายเรือทวนกระแสน้ําที่มันไหลเขี่ยวอยู่นั่นนะ่ะไม่ออกแรงเต็มที่เรือมันก็ขึ้นไปไม่ได้อันนี้เหมือนกันแหละการที่เรามาเห็นโทษของตัณหาแล้วก็เพียรพยายามละตัณหานี่เราฝืนมันนะ่ะพอตั้งแต่ไหนะอะไรมาอยากได้อะไรมาไปแสวงหามันเลย อยากได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสอะไรก็ไปแสวงหามันไม่มีขอบเขตเลยไม่มีวินัยอะไรห้ามไว้อย่างนี้นะมันเคยตัวมานับชาติไม่ท้วนแล้วมันตามใจแห่งความอยากมานับชาติไม่ท้วนแล้วนะคิดดูให้ดี <c oughs> เมื่อเรามาฟังคำสอนพระพุทธเจ้ามาเห็นโทษแห่งตัณหาแล้วนี่ เราทวนกระแสะของตัณหาแบบนี้ไม่ไปตามมันมันอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนแต่ก่อนนั้นมาเราก็ไม่ไม่ไปตามความอยากนั้นห้ามจิตไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากนั้นขึ้นมาห้ามจิตไว้เสมอไปสะกดจิตไว้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกราร ม, มาตัณหาอย่างที่ว่ามานั่นแหละ มัน <c oughs> มันก่อเหตุให้เกิดทุกนาณาประการอย่างที่คนทั้งหลายเขาเป็นมาแล้วนะั้นเราก็เห็นกันอยู่นี่เรียกว่าเราทวนกระแสะตัณหาไม่ไปตามไม่ไหลไม่ยอมปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสะของตัณหา <c oughs> เพราะฉะนั้นมันจึงมีน้อยคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเพราะคนส่วนมากมันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหายกจิตใจของตนขึ้นไม่ได้เลยเหมือนอย่างคนตกลงไปในโคลนตมลึกลงไปแล้วจะถอนตนออกจกากลมอ น, นั้นไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นคนส่วนมากนะ มันจมลึกลงไปสู่ห้วงแห่งความรักความใกล้อย่างจับกิจจับใจเอาจริงจังเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันดึงถอนตัวออกไม่ได้แม้ผู้บวชเข้าม า, าในวัดวาศาสนาแล้วมันก็ยังจะยอมตัวเป็นท่าของรัญหาก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเรื่องที่เตือนมาแล้วมานั่นแหละให้พึ่งสังวรไว อย่ายอมเป็นทาสแห่งตันหาเราหนีจากอำนาจแห่งตันหาจากบ้านมาแล้วแล้วมามาอยู่วัดก็หวังว่าจะไม่ยอมตกเป็นทาสของตันหาเราจึงได้หลีกตนมาบวชแล้วมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวอย่างนี้ เอาไปเอามาแบบเกิดความบวามาักที่คานนั่งสมาธิภาวนาที่คานพิจรารณาร่างกายอันนี้เดี๋ยวตันหามันก็ครอบงำจิตใจเข้าเกิดลืมตัวไป <c oughs> ลืมความมุ่งหมายของตนตั้งแต่ครั้งแรกมาเสียหมดอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะขอเตือนไว้ผู้ใดก็ดี อย่ายอมตกเป็นทาสของปัญหาโดยเด็ดขาดเลยถ้ายังอยู่ในเพศพมจันนีนะถ้าจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วเราออกไปเลยอย่าอย่าทำตนให้มัวหมองอยู่ในวัตวาศาสนาไม่เป็นไรใครไม่ว่าอะไร <c oughs> แต่เมื่อนึกถึงศักดิ์ศรีแล้วมันไม่น่าจะยอมเป็นธาตุแห่งสัณหาอย่างนั้นคนอื่นก็เป็นคนมีธาตุสี่ขันห้าเหมือนกันบุญกรรมตกแต่งมาเหมือนกันเราก็เป็นคนผู้หนึ่งบุญกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็ตกแต่งอวัยวะร่างกายนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่อย่างนี้แล้วแล้วก็ยังมีศรัทธาเข้ามาบวชมาปฏิบัต ทำในวัดวาสาานาถไงอีกด้วยอย่างนี้นะแสดงว่ามีบุญนี้แล้ววันนี้มันจะมาลืมบุญของตัวเองเสียหลือลืมบุญเก่าบุญใหม่เมันขาไม่สร้างแล้วมันจะมาเอาบาปมีมาสร้างบาปขึ้นมาแทนบุญอย่างนี้ไม่สมควรเลยนี่ก็ต้องเตือนตนเข้าไป ไอคนอื่นเตือนสู้ตนเองเตือนตนเองไม่ได้คนอื่นตักเตือนแล้วถ้าตนเองไม่ทำตามแล้วมันก็หมดหนทางช่วยไม่ได้เลยฉันเมื่อคนอื่นเตือนแล้วอย่างนี้ตนเองยอมรับฟังและยอมรับทาตามโดยความไม่ขามาดมันก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งแก่ผู้ตักเตือนด้วยทั้งผู้รับคำตักเตือนด้วยเป็นประโยชน์ด้วยกันนังสองฝ่ายจะเป็นไปเพื่อความเจริญ ใ, ในศิลในธรรมต่อไปเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทมุลกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามาสร้างบุญบารมีสืบต่ออีกถ้าคนมีอวัยวะไม่ครบั่วบริบูรณ์จะมาบวชก็ไม่ได้แล้ยก็สังคมเขากำลังเกียดไม่มีใครต้อนรับคนมีอวัยวะบุกข้องเช่นขาด้วนแขนด้วนอย่างนี้นะจะเข้ามาขอบวชในว่าอารามนี้ท่านไม่มีใครรับให้บวชเลย เออหรือว่าตาบอดมาอย่างนี้นะจะมาขอบวชอย่างนี้ก็ไม่ได้ออมันต้องให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอ า, ายุวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์บุญกุศลหนหลังตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ววันนี้เราไม่ควรที่จะใช้ สมบัติอันล้ำค่านี่ไปทำความชั่วส่งรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้มีบุญของตนไว้ให้ได้มันต้องเตือนตนอย่างนี้คนเรานะ่ะ <c oughs> กลัวว่าเราจะได้ทำความดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และได้มาพบพระพุทธศทธาสตรรมอย่างนี้นะไม่ใช่ายนัก ไม่ใช่่าเกิดไปชาติใดไปพบพุทธศาสนาทุกชาติไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกดัง <c oughs> นั้นคนเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนานะมีมากมายมีมากทีเดียวแต่บางคนเกิดมาแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้ว ด้วยอำนาจอาวิชชาศสนาที่ตนสั่งสมมาแต่ก่อนมากมายไม่สนใจเรื่องศาสนามาเกิดมาชาติปัจจุบันนี้ถึงพบพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่สนใจไม่สนใจเลยมีอยู่ถมไปนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาพุทธเขาพบพบพุท ธ, ธศาสนาแล้วจะสนใจใน พ, พุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีทาง อันนี้การที่เราได้มาสนใจมามีความใคร่ในทรรมคำสอนของพุทธเจ้านะว่าเป็นบุญญราบอันประเสริฐแล้วฉะนั้นอย่าพากันประมาทให้สำรวมตนให้เข่งให้เข้มงวดเข้าไป <c oughs> การสั่งสรรกันสังคมกันนี่ก็เคยเตือนแล้ว เมื่อมีเหตุจำเป็นอะไรก็มาพูดกันที่สารานี่แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ย <Yeah. S 1> มีคนอื่นเป็นเพื่อนผงได้ยินได้ฟังด้วยกันพูดเรื่องอะไรกันก็ให้รับรู้กันต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ uh. มีประโยชน์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่น เรามาพูดกันที่ศาลากันประเรียนนี่ก็เคยตักเตือนแล้วนะให้พากันเข้าใจ <c oughs> เว้นเสียแต่งการเจ็บการป่วยเมื่อเกิดเจ็บป่วยกันขึ้นมาก็ไปดูแล ก, กันรักษากันอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษถ้าอยู่ปกติอยู่สบายดี อย่างนี้นะไม่ควรเลยที่จะไปซ่องสมกันที่จะไปคุยกันเล่นหัวกันโดยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นนะแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามมันก็ทำให้เสียเวลาในการสำรวมจิตใจในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่ แล้วจะไปถือเอาตัวอย่างเอาอย่างที่คู่เป็นประมุขประธานามีคนไปหาไปคุยไปอะไรอยู่ด้วยแล้วเราผู้น้อยก็จะเรียนแบบไอ้อย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราผู้น้อยนะเพิ่งมาทีหลังฝึกตนยังไม่ชาชองชนานาญอะไรจิตใจยังไม่มั่นคงปัญญาอะไรก็ยังไม่มี แล้จะไปเรียนแบบผู้เพื่อนเกิดก่อนดำเนินมาก่อนอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องรู้ประมาณตนคนเรานะ่ะอันนี้แหละคาสอนของพระไตรเจ้านะให้ฟังเอาพิจารณาเอาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะ่ะคาสอนของพระไตรเจานะ่ะสอนให้คนเข้าถึงความสงบระงับ จากกิเลสป่าปรรมกรรมอันชั่วต่างๆนี่ทั้งทางกายทั้งทางวาจาในทาง จ, จิตใจให้สงบระ ง, งับจากกิเลสปารร่าประมำต่างๆนี่นะความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระเจ้านะก็ลองสังเกตดูเป็นไงล่ะ ทางกายห้ามไมา่ให้เบียดเบียนกันฆ่ากันอย่างนี้นะ <c oughs> ห้ามไมา่ให้เบียดเบียนกันทางประเวณีอ <c oughs> หมูเนี้ห้ามไม่ให้เบียดเบียนทรัพสมบัติของกันและกันเ <c oughs> มือ่อผู้ใดเว้นได้แล้วก็แสดงว่าคู้นั้นมีกายอันสงบระงับจากกิเลสบาปประรำประเภทนั้นนะ <c oughs> ทางวาจานี่ครัท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดคําไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นเาเป็นของตนหรือว่าหลอกลวงพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไป <c oughs> แล้วก็พูดชอเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกแล้วสามัคคีกันพูดคําอยากภายด่าแช่งกัน พูดเพอ้อเจอ้อพูดไม่มีสถานีพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดร้อยคําก็ไม่มีประโยชน์สักคํานึงอันนี้ท่านเรียกพูดเพอ้เอเจ้อเหลวไหลนี่ถ้าหากว่าเว้นจากคําพูดเหล่านี้ได้แล้วเรามาพูดแต่คําสัตย์คําจริงพูดแต่เรื่องสมานสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พูดยุ่งยงให้แตกเล้าสามัคคีกัน พูดคำอ่อนหวานต่อกันแลกกันเรื่องที่ไม่เป็นสารประโยชน์อะไรไม่เอามาพูดเลยนิ่งอยู่เสียดีกว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พูดแล้วปวดหัวอืม อย่างนี้ก็มีอันนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะปวดให้มันปวดไปผมใจลงไปอย่าให้มันชอบพูดนี่แล้วใจมันจะได้ส ง, งบมันจะไม่ได้เลื่อนลอยคนพูดมากแล้วใจยิ่งเลื่อนร้อยอะ่ะใจไม่ตั้งมั่นเลยมันเป็นอย่างงั้น <c oughs> เมื่อสำมรวมได้กิเลสป่าประทัม มันก็ไม่เกิดทางวาจามันก็ระ ง, งับไปอย่างนี้แหละเมื่อกิเลส่าพทรรมระงับไปจากกายจา ก, กวาจานี้แล้วไอ้ทางใจนะั้นมันก็ไม่มีสิแบบนี้นะมันก็มีแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างยาบหยาบไม่มีแล้วก็มาเพียรพยายามทําสมาธิภาวนาเข้าไป กิเลสอย่างกลางมันก็ค่อยสงบลงเมื่อเราเพ่งใจอยู่แต่ภายในนี่ไม่ปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยออกไปข้างนอกออกไปแล้วนะเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อารมณ์ภายนอกมันก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะจิตมันไม่ยึดถือเอามันหดตัวเข้ามาอยู่ภายในนี่มีสติประคองจิตให้ตั้งอยู่ภายในเนี่ย เมตตาในเห็นลูกหูไินเสียงจิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์ถ้าไม่เป็นเรื่องที่คนเกี่ยวข้องเรื่องการเรื่องงานเรื่องสําคัญมไม่สนเลยให้มันผ่านไปผ่านไปเสียใจของตนมันก็เป็นปกติอยู่ได้ก็รักเรี่ยหรือว่ารักษาสมาธิไว้ให้สม่าเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอย่างนั้นนะ การฝึกตนการปฏิบัติตนนี่แหละคำว่าความใครในธรรมนะใครในศีลใครในสมาธิใครในปัญญานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วเนี่ยนะใครใครในธรรมสามประการนี่เองอย่าพากันไปอยู่เฉยๆทำจะได้หรอเราถึงจะมีสินบริสุทธิ์อย่างนี้นะ เราก็ดำลิตรีตองตนเองเสมอไปทำอย่างไรใจเราจึงจะเป็นสมาธิจึงจะตั้งมั่นเป็นปกติไปทั้งกลางวันกลางคืนนี่ต้องดำลินะไม่ดำลิไม่ได้ปล่อยใจให้ลอยๆอยไปอยู่เฉยๆนะั้นมันไม่ได้ <c oughs> ทำอย่างไรเราซึงจีมีปัญญา มีอุบายสอนจิตนี้ให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหานี้กระดาฤนะิ์นะนี่หละคำว่าความใคร่ในธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจนังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้